เหรียญต่างๆคนเอาไปแล้วก็เชื่อว่าแางไม่เขายิงไม่เขาก็จนไม่ตายกูไม่ว่ามีใคสร้างความประมาทให้กับคนหรือเปล่ากูไม่ว่าอย่างนั้นกูว่าอย่างนี้ที่เอาเหรียญไปเอาพระไปนั่นเอาห้อยคอไปแส่กระเป๋าไปนะกระตุ้นเปลี่ยนใจว่าเราจะไปทําสิ่งที่ช่วยชาติและเลวอย่างหนึ่งอย่างไ ร, รก็ให้นึกถึงคุณพระหรือว่าอายพระที่อยู่กรเรานี่ความหมายกูออกไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปยิ่งไม่ตาย วันไม่ตายกูไม่เคยพูดหรอกยังไงใครเอาไปยังงี้ก็ทำครับล่องคอไปโอ้นี่หลวงพ่อมากับเร า, เนาหนอพระมากับเราเนาอเราจะไปทำช่วยชาตระละเลีวเพราะนึกอายพระรแล้วนุ่งตัวกลัวบาปเพราะพระอยู่ข้าโคอเราพระอยู่ในกระป๋อเราครับมันเตือนใจไม่ให้ไปทำสิ่งที่ชั่วครับมันเป็นอย่างนี้